เทศอบรมพระวันที่หสิงหาคม2521น้ี่เข้มข้นตอนปลายเทศจิตอิ่มโลกอิ่มธรรมผู้ที่ยังมืดบอดก็เท่ากับลบล้างบุญบาปว่าไม่มีนั่นแหลคือความบอดกายใจยางสนิทประเภทหมดหวังความจริงบุญบาปนรกสวรรค์นิพพาน เป็นของมีอยู่ตลอดอนันตกาลพระสาวกเลิศในแง่ธรรมต่างๆกันเทศทุกขเวทนาจนถึงความจริงกายก็จริงทุ ก, ก็จริงจิตก็จริงแล้วไม่กระทบกันอัตตากับอนัตตาเป็นคู่เคียงกันเมื่อยังไม่ถึงที่หมายถึงแล้วก็ปล่อยหมดใครฟังอัดได้ อิ่มแล้วธรรมชาติที่อิ่นนั้นเราจะนํามาพูกกันได้เพราะมีรูปลักษณะพอที่จะนํามาพูดได้แต่ก็ไม่มีใครสงสัยบรรดาผู้อิ่นแล้วท่านผู้อิ่มโลกและทุกอย่างหรืออิ่มธรรมและทุกอย่างธรรมหมาถึงว่าอิ่มโลกอิ่มธรรมคือไม่ติดทั้งโลกติดทั้งธรรมนี่เรียกว่าอิ่ม ผู้ที่อิ่มแลดะัะนั้นถ้าเราเป็นนิพพาเนเต็มที่ทั้งอิ่มทั้งหายก็เป็น น, ปนิพพานกิจที่อิ่มเต็มัวเต็มที่ไม่เหมือากันทำฉนันเฉลนมเหมือนทำนินทางมีน้ําหนักเท่ากันเพราะเป็นยี่ยางสมมุทรทั้งหมดอันนั้นไม่รั้เพรานั้นไม่ใช่สมมตุติไม่ใช่วิ ส, มมสัยธรรมรัตน์น เที่ยวไปได้เทานอย่างรู้ออิ่มใครจะนํามาแจ้งได้ไหมความอิ่มนั้นะมีรูปลักษณะอย่างไงมีอาการอย่างไงจะเด็กไม่ได้แต่ต้องไม่มีใครสงสัยก็าต่างคนต่างเคยรับทานจนถึ ง, ถงความอิ่มด้วยกันมาถึงประจำเดียว ถ, ถ้าอิ่มเต็ม ท, ที่แล้วมันตองรู้ตัวเอง กิจเมื่ออิ่มเต็มที่แล้วกอย่างนั้นแล้วก็พูดถึงเรื่องนิพพานศูนย์ก่อนล้วก็เราก็พูดอย่างนี้แล้วก็แยกไปตอนนี้เวลาเนี่ยความอิ่มของเราที่อิ่มอยู่ด้วยกันเนี่ยเรารับทานใหม่ๆเนี่ยแล้วศูนย์ไหมล่ะู่จะไหมอ่ะศูนย์ไปไหนไหมีความอิ่มนะเวลาเนี่ยต่างคนต่างรับทานด้วยกันอื่นแล้วก็มาคุยธรรมะอันนี้น่ะความอิ่มนั้นประจักษ์จะไหมประจัก แล้นำมาแสดงออกได้ไหมว่าเป็นรูปลักษณะไหนแสดงไม่ได้แล้วศูนย์ไหมล่ะไม่ศูนย์ไม่รู้อยู่ทังพอดานไ ม, ไมก็อย่างนั้นเลยว่าถามสองข้อข้อหนึ่งไสร้างบันมีมาก่อนอย่างนั้น น, น, นี่อะไรว่านี่แล้วก็สรุปยอดไปเลย ตั้งคอบจับเจืออะไรเงี้ยเข้าใจในขนาดนะั้นอย่าพูดไปทุกคนบุงลุงบา ง, บ ง, บ ง, บงโลกตอนนี้มันไปลบล้างขวาลกลบล้างหนามนะหนามมีตามมทางก็ว่าไม่มีมันลบล้างกันโลกสวรรค์นัน มันลบล้างบุญลบล้างบาปนั่นแหะมันเป็นทางลองเดียวกันกับเขาเดินไปด้วยความตั้งหมายตามสายทาง ม, มีความมีหนามก็ไม่ระวังมีหัวตอมันก็ไม่ระวังมีหินอยู่นั่นก็ไม่ระวังความเข้าใจว่าไม่มีนั่นแหละมันเหยียบความเหยียบหนามก็เหยียบในขณะที่เข้าใจว่าหนามไม่มีนั่นแหละว่ามันโดนสะดุดก็ ในขนะที่โดนกระดูกก็คือขณะที่เข้าใจว่าหัวต่อไม่มีหรือหินไม่มีนั่นเองมันโดนเพราะความมีอยู่นั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสําคัญว่าไม่มีความสําคัญว่าไม่มีนี่ลบล้างถึงมีอยู่นั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นคนจึงต้องเหยียบความเหยียบ้ําตกเหวตกบ่อกันโดนกระดุดกันโดนนั่นโดนนี้กันเข้าใจว่าไม่มีแล้วโดนเอาโดนเอาหนัก ผู้นั้นนะผู้เจ็บผู้เข้าใจว่าไม่มีผู้เข้าใจว่ามีผู้นั้นระวังนะค่อยเจ็บเดินไปตามถนนทางก็ดูถนนทางให้ชัดเจนควากน้นําก็ไม่เหยียบหินก็ไม่โดนตอไม้ก็ไม่โดนผู้นั้นปลอดภยัยเพราะผู้นั้นระวังเพราะเข้าใจว่าสิ่ง น, นั้นมีอยู่อาจจะมีอยู่ในสถานที่ใดก็ได้ความระวังไปตลอดสายนั่นคือความไม่ประมาทผู้นั้นปลอดภัยกว่าคนที่ไปด้วยความประมาทเข้าใจว่าอะไรไม่มี มีก็เหมือนกันสิ่งเบลนี้มีอยู่ในโลกทีนี้บาปบุญก็มีอยู่ในโลกเหมือนกันอืเคยมีมาตั้งแต่กาลไหนๆบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่ส่วนความสำคัญเราจะว่าจะว่ามีหรือไม่มีก็ตามถิ่งนั้นมีอยู่แล้วจะสำคัญหรือไม่มีก็สําคัญเฉยๆไม่สามารถลบล้างสิ่งที่มีอยู่แล้วได้เช่นเดียวกับเราสําคัญว่าหนามไม่มี หม้ต่อไม่มีอย่นี้เป็นความสำคัญที่เฉยสิ่งนั้นมีอยู่ไม่ขึ้นอยู่กับการสําคัญไม่สาคัญของใครลบล้างไม่ได้คนนี้พูดถือจะโดนบาปโดนนรกก็คือพูดที่เข้าใจว่านรากไม่มีนั่นแหละมาบาปไม่มีนั่นแไะมันโดนไม่มีผู้ใดจะไปโดนจะไปตกนรกกับผู้ที่ว่านรกไม่มีนั่นเนี่ยพูดถึงจะโดนบาป เป็นความทุกข์ทรมานก็คือผู้เข้าใจว่าบาปไม่มีนั่นหละผู้นั้นไม่ระวังเหมือนกับคนเดินทางไม่ระวังร่าฝักว่าน้ํามีว่าหวัวตอมีว่าก้อนหินสิ่งที่จะโดนเท้าไม่มีนั่นแหละโดนเอาโดนเอายี่เอาเยี่ยเอาเป็นอย่างนั้นแหละมวนเป็นไปนตาม ความสำคัญแล้วคนตาบอดนี่มันมองเห็นอะไรนี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรมาโดนมันได้เพราะมันไม่เห็นนี่ทํามีทําไมข้าไม่เห็นแล้วก็โดนไม้กับตาบอดนั้นโดนเก่งกว่าเขาอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตาบอดนี่ไม่ขึ้นอยู่ความมีอยู่ของมันนี่พวกเรามันบอดว่าไงตักก้งแต่สิ่งที่มีอยู่มันยังโดน มีอยู่หยายบยาบเป็นที่สายของตามองเห็นได้อย่างชัดๆมันยังโดนได้เหยียบได้สิ่งที่เป็นของละเอียดทำไมมันจะโดนไม่ได้อะไรน้ำเชื่อเราอยู่หรือเปล่าตาบอดขนาดนี้ยังอวดว่าตัวเก็งเยห่ือเว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนตาบอดโลกวิถูฟังดิ รู้แจ้งเห็นสิ่งโลกทุกอย่างโลกนอกโลกในรู้ตลอดทั่วถึงโลกคลิปโลกธรรมดารู้หมดโลกคลิปก็คือสามารถด้วยมองเห็นด้วยพระจักษียานที่พระโสดที่พระจักษุนะพ่อมีคลิปสิ่งที่โลกคลิปพ่อก็มีเครื่องรับคลิปดยอย่างวิทยุสีโทรทัศน์ดิ ก่อนเครเห็นมีเมื่อไรพูดกันเชื่อเมื่แล้วเดี๋ยวนี้มันเกินแล้วทาลายคนแล้วก็ทิพายวายปลวงไปมันก็ยังพอใจเห็นไหมล่ะนนท์สามารถเขาทํากันอยู่ที่ไหนโลกไหนมันก็เอามาดูได้อยู่ในบ้านของตัวเองมันยังดูได้เห็นได้แล้วพี่นางเจนั่นแหละเขามีอยู่นั่นแหละเขาทํากันอยู่นู้นมันมีอยู่นั่นมันมีเครื่องรับันมันก็ได้ พระัานเขาชกมวยเมืองไหนหน่ะมันมาเปิดดูได้หนึ่งดูดแต่ก่อนมันมีได้เมื่อไรและปฏิเสธได้หรือว่าสิ่งอนี้มันไม่มีแต่มันไม่สามารถที่จะทำขึ้ให้ปรากฏทัดเจนได้อย่างทุกวันนั่นก็อย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้ายิ่งฉลาดแล้มคมกว่าพวกนี้เป็นได้ไหน โลกทิพย์เอามาต้องไปหาเครื่องอะไรมาเป็นเครื่องประกอบโลกทิพย์กับงค็ก็มีทำทิพย์นี่วางทิพยระโสดเนี่ยหูทิพย์เสียคลิปประจักษสุญานเนี่ยตาทิพย์เสียไม่ใช่ตาเนื้อสิ่งที่มองควรจะแต้มแต่ตาเมื่พอพงก็เอาตเมื่อดูสิ่งที่ควรจะหูเนื้อก็หูเมื่อฟัง ถึงทุกวรจะหูทิพย์ก็เอาหูทิพย์ฟังหถึงทุกคนจะตาทิพย์ก็อตาทิพย์ฟังเพราะมันมีอยู่ทุกแง่ทุกมุมมีอยู่หลายขั้นหลายตอนตอทั้งหยาบทั้งละเอียดโลกกนี้คำว่าสัตว์เท่านั้นสัต ว, ตว์ต่างๆโตๆอย่างสัตว์ในทะเลหรือช้างอย่างนี้มันก็มีเล็กกว่านั้นออกมามันก็มี จนกระทั่ทงเชื้อโรคนะละเอียดขนาดไหนต้องมีเครื่องก็กล้องขยายกล้องสองมันก็ไม่เห็นร่างทางตายของเหล่าไม่เห็นเรือ่าเมื่อไม่เห็นแล้วมันเป็นอันตรายต่อคนได้ไหมคนไม่เห็นเช่นโรคฮิวาเป็นต้นมันทําลายคนตายมาสักเท่าไหร่แล้วมีเพราไม่มีเครื่องทันมานั่นเองถ้ามีเครื่องแล้วพิสูจน์ตั้งปักก็รู้โอ้โรคฮิวา น้ำมีช่วยโลกสิ่งที่เราไม่เห็นมันเป็นภัยต่อเราเราไม่เห็นอะ ว, วันไม่มีมันผิดสิ่งที่มีมันมีอยู่มันต้องระมัด ร, ระวังหลวงพ่อพุทธเจ้าสอนว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีทุกๆพระองค์สอนอย่างนี้ทั้งนั้นไม่มีองค์ใดที่จะก้าวไกล ในการสอนโลกเพราะทรงรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันมาแล้วไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดสอนแบบเดียวกันหมดสอนอัดสอนทันไม่ได้ก้าวไาลกันแม้นิดหนึ่งเลยเพราะทรงรู้ทรงเห็นธรรมชาติแห่งความจริงเหล่านั้นเหมือนกันการสอนจึงสอนแบบเดียวกันเราไม่รู้ไม่เห็นเหมือนถึง น, นั้นไม่มนีนี่แหละมันต่างกันอย่างนี้อับคนเราดูหากพระพุทธเจ้า เหมือนกับคนเราทั่วไปนี้จะยอมจำลนงพระองค์ว่าเป็นพุทธทางสัณฐามนี่ได้ยังไงทำบ า, างสังขังสังขารมีให้เสียเวลาเวลาเหนื่อยเปล่าสมัยก็เพราะท่านพิเศษเลือเกว่าเราเราไม่รู้ท่านรู้เราไม่เห็นท่านสามารถเห็นเนี่ยสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่เห็นท่านสามารถทำนั้นสิ่งที่เราทําไม่ได้ท่านทําได้สิ่งที่เรารับไม่ได้ท่านละได้นั่นนั่นที่เป็นของอาจารย์ กว่ากันก็เปรคข้อเห็นนี้เองมัธยภาพคือความสามารถต่างกันการสอนอัดสอนท้องลุ่มลึกละเอียดละออสุก ข, ขุมถึงจิตถึงใจเพราะทรงรู้แล้วเห็นแล้วจึงนํามาสอนไม่มีการกระทบกระานสอนตามสิ่งที่ทรงรู้แล้วเห็นแล้วทั้งวิธีการดําเนินวิธีลับอีถอนวิธีบําเพ็ญให้เกิดถ้ามีให้เจริญขึ้นโดยลําดับเป็นแต่วิธีที่ทรงรู้ทรงเห็นทรง ได้รับผลมาแล้วทั้งนั้นนำสิ่งเหล่านี้มาสอนโลกจึงหาทางผิดไปไม่ได้เห็นแล้วทุกอย่างนำมาสอนโลกใครจะพูดที่พูดด้วยความถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีในโลกนี้วางเลย มันทำเป็นน า, ารายณ์สาวกนี่ยผมนธรรมที่จะนํามาสอนโลกมีกว้างแคบยากละเอียดต่างกันกับพระพุทธเจ้าอยู่มากเพราะอันหนึ่งพุทธวิสัยเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งสาวกับวิสัยเป็นวิสัยของสาวกแต่ความบดยสุดนั่นเหมือนกันในแง่ของสมมติ การทำที่จะนําออกมาใช้สอนสั่งสอนโลกนี้ไม่มีใครจะเสมเหพ ร, ระพุทธเจ้าผรงสแสดงระย่างละเอียดกว้างขวางแม้แต่สาวกเลวกกันก็ยังต้องผิดกันเช่นพระสายบุตรมีความเฉียวฉลาดมากอุบายวิธีการสั่งสอนนี้แหลมคมมากร่างพระพุทธเจ้าเล่นมาพระโมกขนาภิท า, งง า, ทาสกุลภาพนี่ก็รองพระพุทธเจ้าเล่นมาดีไปคนละด้านละทาง อย่างพระนุทะสามารถรู้เรื่องวรรจิตวิชาคือวรารรจิตรของคนอื่นคนใปก็ตามแม้แต่เทเทวดาพระอนุทะทราบโดยละเอียดและออนเราจะเห็นได้ขณะที่พระองค์ทรงทำหน้าที่ป ร, รินีประนเมื่อประทานโ่อวาวาวรรสุดท้ายอโอว่าใน ว, าวา่าวรรจุท้ายนั้นก็ เป็นภา ษ, ษาไทยใช่ไดูก่อนพิสูจทั้งหลายอันนี้เราเตือนเธอทั้งหลายสังขารมีความเกิดขึ้นแล้วส่งไปดับไปอยู่อย่างนี้เป็นประจำตรงพิจารณาสังขาร น, นั้นถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทในพระโอาวาทที่ทรงสอนในวรระสุดท้ายเราจะหมายถึงสังขารอะไรแล้วขณะที่ฟังนั้นมีแต่พระสงฆ์สาวกทั้งนั้นอย่างน้อยก็ เป็นภาติมุ่งหน้ามุ่งตาถึงเป็นกานิยาณุปุทธชนก็เป็นผู้มุ่งต่อการทำอย่างนี้แล้วนอกจากนั้นก็เป็นพระโสดาสกิทาอนาคาาพระอรหันต์กันแล้วน่าดูไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในขนาดนั้นพระองค์จะทรงแสดงสังขารประเภทนี้หมายความลึกซึ้งอย่างละเอียดขนาดไหนถ้าไม่หมายถึงสังขารตัวอยู่ภายในจิตที่ปรุงยัดยัดไปยัดตลอดเวลาเราเชื่อแน่เหลือเกิน ว่าพระโอวาทมาราสุดท้ายจะต้องอย่างถึงสังขารที่ละเอียดสุดเพื่อไปพระนิพพานในขณะนั้นเท่านั้นแต่จะตีความหมายว่าสังขารต้นไม้ภูเขามันเป็นของไม่เที่ยงนะสาวกเมื่อรหลักฐานม้นก็ว่าแต่แต่ว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ท่านั้นในเก้าสเก้าเปอร์เซ็นต์จะอย่างลงสังขารธรรมคือความปรุงของจิตนี้ให้เหมาะสมกับปัจฉิมโอวาทโดยศาสดาผู้สําคัญจะพระนิพพานในขณะนั้นเจ้า ทำแบบหยาบมาแสดงไปรธรรมดาธรรมดาได้ยังไงเพราะเวลานั้นไม่ใช่เวลาธรรมดาเป็นวิสามันเวลาวิสามันธรรมดาอืมเป็นวิสามันหนึ่งจะปฏิพันธ์อยู่แล้วในขณะนั้นสองพระสงฆ์ที่เฝ้าพระองค์อยู่เวลานั้นมีแต่พุ่มเตรียมพร้อมแล้วตั้งแต่พระรหังลงมาจนกระทั่งถึงกายานะปูถุชนคือพิสุ เลื่อยลงมาเป็นำหนักจำต้องรับสั่งถึงต้องสังขารภายในทีเดียวเราแน่จใ้ดูนี่นะพอจากนั้นเราก็ปิดพระอก ท, ทรงทาหน้าที่ไปนิพภานในขณะที่ทาหน้าที่นั้นพระสงฆ์สาวกก็ห้อมร้อมอยู่ทานุทะก็ยที่นั้นด้วยเมื่อทรงเข้าปฐมฌานที่สีชฌานตัศน์ฌานัาาจตุตฌาน อันเป็นรูปฌานสี่แล้วก็กล้าเข้าสู่อรูปฌานสี่คืออาคาสารัญจานวิญญาณัญจารชนะอาจินัญญาชนะเมตัญญานาตัญญาณเชนะแล้วก็กล้าเข้าสู่สัญญาเวทัติยติโรสมาบัติระดับสัญญาระเวทนาขนาดนั้นแหะงับเงียบบรรดาพระสงฆ์ที่อยู่นั่นเกิดความสงสัย่นี่พระพุทธเจ้าปฏิพทานแล้วหรือพานุทะเป็นผู้บอก ฟังดิยังยังไม่ไปนิพพานกําลังประทับอยู่ที่สัญญาเวทายตัณยโรสพอพระจิตสเสด็จเพื่อนถอยออกมาจากสัญญาเวทาสไรโดก็บอกโดยลําดับเัยนะจนกระทั่งถึงถ้าจิตบริสุทธิ์ธรรมดาคือลงมาอรูปฌานสี่ก็ลงมารูปฌานสี่จนกระทั่งถึงถ้าจิตบริสุทธิ์ธรรมดา ตอนนี้ก้าเข้าไปอีกเขาบอกปัญญาบอกโดยดำดังด่งแบบนั่นฟังดินี่แหละพระกิตจวิชาสามารถรู้พระจิตของพระพุทธเจ้าแม้บริสุทธิ์เพียงไรก็สามารถรู้นั่นถ้าเป็นของศูนยรู้ได้อย่างไรจิตบริสุทธิ์แล้วศูนยรู้ได้อย่างไรมไม่ศูนย์อะไรถึงรู้ได้พระอนุท่าก็เป็นพระหรหันต์แล้วพระอนุท่าก็ไม่ศูนยสามารถรู้ พระกิตของพระอริเจ้าที่กำลังเสด็จก้าเข้าสู่ชานใดปฐมฌานนี้เป็นสมมุติฌานแต่ละฌานเป็นสมมุติเมื่อกิตติมุติคือพระกิตของพระอริเจ้าซึ่งเป็ น, นมุติแล้วผ่านไปในฌานใดผู้บริสุทธิ์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นผ่านไปในฌานใดพระรูชาบอกเรื่องแบบกําลังเตะเข้าฌานนั้นฌานนั้นฌานนั้นเพราะมีสมมุติเป็นเครื่องพาดพิน พอพูดได้ว่าถ้าจิตที่บริสุทธิ์นั้นกําลังก้าวขา้ามานฌานนั้นฌานนั้นถ้าหากไม่มีส ม, มุนี้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าจิตนั้นแม้จะมีอยู่เพียงไรก็ตามพูดไม่ได้นี่พอออกจากปฐมจากจตุฌานแล้วไม่เสด็จเข้าสู่รูปฌานสี่รูปฌานสี่ ก็ไม่เสด็จเข้ารูปฌานสี่ก็ผ่านมาแล้วนั่นละ่ะที่นี่ปริพันธ์ในท่ามกลางแห่งสมมุติทั้งสองคือรูปฌานก็เป็นสมมุติรูปฌานก็เป็นสมมุติเ้าออกเสด็จออกท่ามกลางพอถึงจุดถึงตรงนั้นแล้วภาพนิทะก็หมดวิสุดวิสัยว่าทีนี่ปริพันธ์แล้วนะคือไปพาดพิงกับอะไรอีกไม่มี นจะเฉพพระสิริยะในขณะนั้นไม่ได้เห็นแทนเจนิงการค้นพิจาแบบนี้นี่พระนุษท์พะท่านสามารถทั้งนั้นถ้าสงบนั้นเป็นพระหลานก็จริงแต่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระวิทยาวิชาเหมือนพระนุษยะแล้วจึงสมนามว่าพระนุษย์เป็นเอกราชทางพระวิทยาวิชาสามารถรู้วาระจิตของไข่ๆได้ทั้งนั้ น, นแม้ถึเทวดา มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าขณะที่พออระองค์ไปนิพพานแล้วจะเอานําพาสิริรโกออกทางทิศใดอย่างนี้ต้องเรต้องพระนุทะเป็นผู้บอกพระนุทะเอาพระเท ว, วดาทั้งหลายไม่ต้องการให้ไปทางทิศนั้นทนี่นั้นต้องการให้ไปทางทิศนั้นนะ่ะรู้จนกระทั่งถึงความประสงค์ของเท ว, วดาครั้งนี้แล้วเอาไปทางทิศอื่นก็นไม่ได้จริงๆต้องไปทางทิศที่เท ว, วดาทั้งหลายต้องการตามที่พระอนุธะ บอกไว้แล้วไปเทางนั้นไปได้เวลาจะถวายเพลิงพระองคอ์ยังถวายไม่ได้เทพเไหา ย, ยังไม่ยังยังไม่ยินยอมให้ใหถวายพระิืงเพราะพระกัสสปะมหาเถพระมหากัสสปะกำลังเดินทางมาจะ มากราบพระสร้อยของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะทําได้แน่ทั้งทั้งที่เวลานั้นก็ไม่ทราบพระกัสสปะอยู่ที่ไหนทังได้มันสุดวิสัยไม่เท่าเราพวกเราแต่ถ้ากับพระนุทามไม่ได้สุดวิสัยเหมือนบอกคนตาบอดเขาอย่างหนึ่จะว่าว่าพระนุทามนั่นเป็นบ้าอยู่คนเดียวพูดอะไรไม่รู้เรื่องรู้ราวธิวดาที่ไหนพระกัสสปะที่ไหนไม่เห็นนี่แล้วก็ไม่นานพระกัสสะเสสข eine, ้ามา อพาบริษัทบริวารมากราบพระเจ้าศพของพระองค์แล้วก็จากนั้นมาอ้าวที่นี่พระพระชันถวายเพลิงท่านไา้ไม่มีอะไรขัดข้องก็ถวายเพลิงก็รบเปลยถอนแรกถอนไม่ได้ถวายเพลิงไม่ได้ถวายก็ไม่ไม่ฟังเลยนั่มันเป็นความจริงทุกอย่างเพราะอันนี้เป็นวัตถุอันนั้นเป็นใจที่ทํานายที่ถทายออกมาทายออกมาถทายมาก็เป็นตามนั้น่ริง ไม่ให้ออกทางทิศนั้นทิศนี้ให้ออกทางทิศเหนืออย่างนี้เทวดาทั้งหลายมีความต้องการอยากให้พระพิรสดขององค์ออกทางด้านทิศเหนือน่ออกไปทางที่อื่นก็ไม่ได้ไหน่นฝืนไปไม่ได้ต้องออกทางทิศนั้นเราไม่เห็นตัวแต่ว่าพระพศรสดไปไม่ได้อืมทําให้หนักให้อะไรไปไม่ได้ไม่เคลื่อนย้ายไปเอฉยอเฉยนี่จังเลยนั่นลพลังของลิทธาสดานุภาคของพวกเทวดาทั้งหลาย นีครับพลังเราไม่มองเห็นคือดูปาไม้ไเนี่ยพลังอนหนึ่งที่เราปาไม้ไปพลังอันหนึ่งที่มันหนุนมนให้ตกไปโน้นตกไปนี้่เรามองไม่เห็นเห็นแต่ไม้เท่านั้นหรือไนูยิงไปจากแหล่งหรื อ, อยิงปืนออกไปจากก็บอกปากก็บอกปืนเนี่ยมันพุ่งไปไหนพลังเรามองไม่เห็นแต่มันไปได้อย่างไรมันไม่มีพลังมันไปได้อย่านัน่นดี่อันนั้นแหะ ความลึกลับอะไรจะลึกลับรายละเอียดิ่งกว่าศาสนาถึงแล้วนี้ไม่นอกเหนือบวงคําสอนทุกท้าวรงรู้จงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแสดงออกให้เห็นชัดเจนภาษาพวกแต่และองค์มีความสามารถต่างกันจึงได้รับเอราคะจากพระองค์ที่ทรงตั้งให้องค์นั้นเป็นเอราคะในทางนั้นเช่นพระปุณธมันตนีบุ เป็นเอเลสาท ะ, ทะในทางธรรมกถาึกเองไม่มีใครเสมเอติว่าถ้าริบุตรทรงทางปัญญาเนยศรลัดทางด้านปัญญาพระโมกคลาเก่งทางนิทานดานุภาคพระปุรณะตันต น, นบุตรอย่างที่ท่านอาจารย์มั่นท่านพูดเข้าทีเนีย ท่านเทศเน้นหนักลงในสันเลขาธรรมสิบประการว่าอย่างนั้นถ้าปุรมันตานีบุเทศสอนมันดาถ้าสงทั้งหลายสันเลขาธรรมแปลว่าทำเครื่องขัดกลาขี้เล็กมีสิบประการหนึ่งอภิชาตาเป็นไพ่เป็นผู้มักน้อยยาพลุงพลังหอกขี้นุ่นๆ หาผามุงผลังถหาเป็นผู้มากน้อยจะมีมากเพียงไรให้เป็นผู้มากน้อยเอาแต่พอสิ่งที่เป็นของจาเป็นเท่านั้นใช้สอยอาบลืมอะไรไปแล้วแต่ล ง, ลงมาก็สันโดดความยิ น, ยนดีดำมนกวามเกัดสังฆนิกายยาคุขีซึ่งกันอากันไม่เป็นเรื่องไม่ลา วิเวกตาเป็นผู้ชอบที่สถานที่วิเวกสังข์อันเนึ่งที่พวกท่านบุ่นวายกับติมก็ควรทั้งหลายวิริยาลำพาให้เป็นผู้หนักในความเพียรประกอบความภาคเพียรในยบททั้งสี่ให้เป็นไปด้วยความเพียรเป็นลำดับหนักศีลรักษาให้ดีศีลเป็นสมบัติอันรุนค่าสำหรับพระ ไม่สมบัติอะไรที่จะของพระที่จะสง่าผ่าเผยยิ่งกว่าความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นผู้อาถรรพ์ด้วยสมาธิทําจิตใจให้แน่นหนามัน่นคงอย่าให้ว่าแว่ควอนแคลนให้เป็นเหมือนหินทั้งแท่งเพราะความมั่นค ง, งของจิตที่เป็นสมาธิปัญญาพิจาครณาค่รวๆให้ละเอียดละออ ตลอดตัวถึงกิเลสมีหลายประเภททั้ ง, ง ส, ส่วนันส่วนยาส่วนกลางส่วนอื่นทั้งภายนอกภายในคอยจะค้าเข้ากันอยู่เสมอให้ใช้สติปัญญาพิณพิจารณาด้วยดีเพราะอํานาจแห่งวิริยลำพาคือประกอบควารรมเพียรด้วยสติปัญญาอยู่เสมอวิมุติเนี่ยเมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรเต็มที่ไม่หยุดไม่ถอยแล้วความหลุดพ้นก็ปรากฏขึ้นมาที่จิดวงนั้นเอง วิมุตติยาทัศนะเมื่อได้หลุดพ้นแล้วงานความรู้แจ้งชัดว่าหลุดพ้นแล้วก็ย่อมเกิดขึ้นมาในขณะเดียวกันนี่คือสั้นเลขาธรรมที่พระปนารถทับปุรันตานีบุตรซึ่งเป็นธรรมมตัตรกุลเอกท่านเทศท่านมากจะเน้นหนักลงในธรรมเครนี้ซึ่งเป็นธรรมเหมาะสมมากสำหรับพระเรานี่นะวิธีการดาเนินงานของพระท่านดาเนินอย่างนี้ เป็นผู้มากน้อยหนะักสังเด็กอย่างลดลงมาอยู่กับสันโดดอย่าให้เลยความสันโดดไปยยินดีเฉพาะสิ่งที่มีอยู่เท่านั้นถึงได้ไม่มีอยา่างแสดงความโลภโลเลผิดวิสัยของพร ะ, นะะอาสังสักมีกาอย่าคุบคีจีมงขึ้นกนและกันโดยหาไม่ได้มีอย่างไม่ได้ นอกจากธรรมศสตร์ขาการเลยณธรรมศาสตร์ขาที่จะสนทนาธรรมะเพื่อเป็นอัตเป็นธรรมเป็นข้อปรฎิบตรพิดิยหรือเป็นคติขึ้นกันแล้กันตามเลามเล้ามเลามเล่าภิกษุตาที่ไหนตั้งอ่ะให้มุ่งให้แสวงทันว่าทางนี้วิริยลัมพาคือความประกอบความภากเพียรในทุเรียาบทวิ่าให้สติได้ปราศจากจิต จิตเป็นตัวขนองจิตเป็นตัวดื้อได้าจิตเป็นตัวดีดโลดเต้นเพ่นกระโดดอยตลอดเวลานั่นแหละตัวเหตุที่สร้างกองทุกข์ทั้งหลายที่คือตัวนั้นเพราะนั้นจิงชาติสติปัญญาผุดข้นตรงนั้นและให้กําหนดดูให้รู้มันคิดไปเรื่องอะไรส่วนมากคิดไปแต่เรื่องที่จะผูกมัดตัวเองก่อพื้นก่อไฟให้มาเผารุนกับเองด้วยความที่ความปลุมต่างๆนี่คือว่าโรงงานมันสร้างวัตจักรมันสร้างที่ตรงนั้นจิตนี่แหละคือวัตจักร มันสร้างวัรเรื่องวัตะจักหมุนตัวเองก็อยู่ในจิตนั่นจึงต้องใช้สติปัญญาพิณิพจ น, น์าด้วย 3, 4, 5, อีกทํสามสี่ห้าข้อนะี่เป็นธรรมสำคัญมากพระสงฆ์ในครั้งบทตการท่านเดินด่างนีง้พูดกันก็พูดในสันเลก็ทำ ไม่พูดถึงเรื่องการบ้านการเมืองการลบราคาการได้กา ร, าการเสียการซื้อถูกขายแทนพงงานราชการนันงานรองการนี่งานราชกา ร, าการชั้นนั้นชั้นนี้อืมเอาเรื่องโลกธรรามสาลมาพูดไม่มีแต่นั้นเป็นเรื่องของโลกว่าของโลกขายเรื่องของธรรมเรื่องของเราอย่างไรกิเลสจะหลุดรอยไปฟาดถึงไปตรงนั้นนี่ละ่ะเป็นงานของสมณะแท้ ดังที่เคยพูดแล้วต้นก็ยกให้เจสารุมานะขาทำตราแต่โจตั้งแต่พัฒนาบทบทชา้ายังมอบ ง, งานนี้ให้แล้วก็บอกสถานที่ที่ประกอบให้เป็นสำนัก ง, งานของเราที่เหมาะสมคือที่เช่นไหรวิเวกตานั่นเองไม่ไปไหนอัสสางสังคิกาไม่ต้องมุ่นมีมุงมุ่งมีวุ่นวายกับใครเป็นห่วงเป็นใ่กับใครวิญยาณพา ประกอบความภักเทียนพิจารณาเกศาลมานะขาหน้าตาแต่โตตลอดอาการทันที่สองภายในภายนอกออกมาเทียบเทียงกันให้ในสันเด้สวด่วนโดยความเป็นของจริจังทุกขังหน้าตาหรือโดยความเป็นปฏิปทาอรูปภังป่าช้าผีดิบพิจารณาลงให้มชัดเจนความจริงนี้อยู่กับตัวของเราทุกคนทำไมจะไม่เห็นเรื่องอัดเรื่องทำคำว่าปฏิกูลมันดูได้เลยในตัวของเหล่านี้มีแต่หนังบางๆมันหุม่มไว้แต่นั้นเป็นเครื่องหลอกทางตาหรือเราเข้าไปข้างในมีอะไร อย่างลงไปตามความจริงทําไมจะไม่เห็นเพราะพุทธเจ้าสอนอย่างเปิดอย่างเผยสอนของมีอยู่เต็มเลยร่างกายของเราทุกคนทําไมจึงไม่รู้ไม่เห็นเผิวหนังบางๆเท่านั้นแหะมันหลอกไว้เนี่ยถ้าไม่มีหนังแล้วดูกันไม่ได้ไม่ว่าหญิงว่าชายนี่จะมแมลงวันตอมหึง่งหึงไปหมดเนี่พอดูได้ก็เพราผิวหนังหนังบางๆผิวบางๆ พอเลยพระพันั้นก็เยิ่อไปเลยบุพเพโลหินน้ำนนํำนอกน้ำหนองแล้วเข้าไปสลายก็ยิ่งเต็มไปด้วยของปฏิกูลทั้งนั้นนี่ประชาผีดิบก็คือเราพิจารณาให้มันเห็นชัดส็จข้างนอกก็เหมือนกันไม่ว่าหญิงว่าชายมันเหมือนกันนี้ถ้าคำวมาโลกุริภูทะลุแจ้งเห็นจริงนี่ชัดดูที่ไหนมันชัดหมดเพราะมันเหมือนกันนี <c oughs> ่หลางานของพระถ้าไปจะเป็นดูอัุทภาพสุพรรณก็ให้มันชัดเจนถึงความจริง เ, เรื่องอนี้จังทุกขังอนัตตาชนิดใดก็จำในใจรักขนัดในทางใดพิจารณาให้เห็นประจักษ์เฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผมเองนี่ทุกขงังเ อ, อมันประจักษ์ <c oughs> มาลสุดท้ายอนัตตามันเลิกกันไปหมดเลยพิจารณาทุกขังนี่นือเวลาทุกข์มันบีบคั้นมันเทเราได้เห็นทุกข์ชัดเจนมาตอนนั้นเฉพาะอย่างยิ่งเวลานั่งหามนุ่งหามค่ำเลย ไม่ให้มันโลกเนี่ยว่ามันไปสติปัญญามีเท่าไรสุดค้นมไปคนเราเมื่อจะตายจริงๆเน้วมันไม่ยอมตายง่ายมันต้องหาอุบายวิธีช่วยตัวเองจนได้นี่สติปัญญาจะเกิดในขณะนั้นขณะที่จะของพยายามช่วยตัวเองอัตติโนนาโถขึ้นแล้วในยานั้นทุกครั้งอะิยสัจจังถ้านว่าทุกเป็นของจริงเราก็ถือว่า เป็นค่าสึกต่อเราเราไม่ต้องการเราไม่อยากพบอยากเห็นแต่ไม่อยากพบอยเห็นเท่าไหร่ก็ยิ่งตากฏเด่นชัดขึ้นภายในร่างกายเพราะมันมีอยู่ที่นี่เมื่อได้ใช้สติปัญญาพิจารณาลงไปแยกแยกกันเรื่องสกลกายกับทุกขเวทนากับใจสามอย่างเป็นทัสำคัญดูอาการใดของร่างกายมันก็มีอยู่ตามสภาพของมันไม่เห็นมันสแสดงว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรมันไม่ทราบความหมายของทุกข์ด้วยซ้าร่างกายก็อย แม้จะเต็มในร่างความทุกข์จะเต็มในร่างกายทุกสว่วนแต่ร่างกายก็หาได้ทราบความหมายแห่งความเป็นทุกข์ของมันไม่เวทนาที่ความทุกข์ก็ไม่ทราบความหมายของตนเด็งสุดท้ายก็คือใจไปสําคัญ ม, มากที่ย้อนหน้าย้อนหลังที่จะมายิย่งทุกข์เกิดขึ้นมากเท่าไรสติปัญญาจะต้องเหนื่อยติวติวนอนตัวไม่ได้นะ่ะนั่นลนะ่ะตอนมันจะเกิดปัญญาเฉลี่ยจะหนาทันเกิดการแล้วเอาตัวรอดได้ เขาพิจารณาเข้าไปดูร่างกายเอาอันไหนเป็นทุกข์ถ้าดูแล้วร่างกายนี้มันมีมาตั้งแต่วันเกิดทุกข์อันนี้เดี๋ยวนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เช่นเจ็บปวดตามข้อตามกระดูกตามแข้งตามขาในขณะที่นั่งนานนมันเพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้หากว่าแข้งว่าขาว่าหนังว่านนเนื้อมันเป็นตัวทุกข์ทำไมเวลาทุกข์ดับไปแล้วสิ่งนี้จยังเหลืออยู่มันเป็นอันเดียวกันไง ถ้าเดินเดียวกันต้องดับด้วยค่ะทุกเกิดขึ้นอันนี้จึงปลากฏขึ้นมาทุกดับไปอันนี้ต้องดับไปด้วยแต่ น, นี้ทุกดับไปมันก็มีอยู่ทุกเกิดขึ้นมันก็มีอยู่แล้วใจแล้วนะใจเป็นทุกเหรือถ้าจะเป็นทุกทุกดับไปใจทำไมไม่ไดับฮะไล่ันเข้าไปไล่ลงไปไล่ความพอใจใจมันยิ่งจ่อนะสติยิ่งจ่อปัญญายิ่งทะลาะเข้าไปแทงเข้าไปแทงเข้าไป นันะหมุนเตี้ยวเตอยูถ้าเป็นนักมวยก็จะเข้าวงในเถอะไม่ได้ตายเข้าวงในอันนี้มันเข้าวงในแนละ้วสติปัญญาต้องหมุนเตี้ยวเตี้ยวเตี ว, ต, ว, ต, วต่อให้ต่อมันก็เข้าใจซึ้งลงไปซึ้งลงไปซึ้ ง, งไปอ mm hmm. พอซึ้งลงไปแล้วกายก็สับแต่ว่ากายโอ้กินอยู่นี้กันเกิดเมื่ อ, อไหร่กาเองก็ไม่ทราบว่าตนเป็นทุกข์ทุกข์เองก็ไม่ทราบว่าตนเป็นตัวทุกข์ต่างอันต่างไม่ทราบความหมายของกันเช่นเดียวกับ ไฟไม่เชื้อเชื้อก็ไม่ทราบความหมายของไฟไฟก็ไม่ทราบความหมายของตนและไม่ทราบความหมายของเชื้อแต่ก็ลุกลามไปต า, า, ามธรรมชาติขึ้นมาหนีร่างกายกับทุกขเวทนามันก็ต่างอันต่างไม่ทราบความหมายผู้ที่ทราบความหมายและผู้ที่ยึดถือสำคัญมันหมายจนหลงมงม ง, งายก็คือจิ ต, <c oughs> จตย้อนมาจิตพิกนาอีมันจะแยกกันหน้าเย ก, กันหน้าเข้าใจชัดเจนพอทราบว่า กายเป็นของจริงเติมส่วนเวทนาเป็นของจริงเติมส่วนใจก็กลายมาเป็นของจริงเติมส่วนต่างอันต่างจริงเติมตัดเต็มส่วนแล้วไม่กระทบกันถึงทุกเวทนาจะมีอยู่มากน้อยก็ไม่สามารถคุ้มค่าของจิตนี่เป็นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนอกจากทราบเป็ญอาชัดเจนนี้่แล้วทุกเวทนาเมืนดับลงไปในขณะนั้นหายเงับไปอ่านี่ไม่ ด, มดีร่างกายหายไปด้วยการอีกในความรู้สึก เหลือแต่ความรล้วนๆเป็นอากาศกระทาเบื้องว่างไปหมดกายทั้งกายไม่ตากฏเลยในความรู้สิกแล้วไม่ทราบว่าจิตนั้นอยู่สูงอยู่ต่ำเพราะไม่ขาดไม่หมายทราบแต่แต่ว่ารู้และอัศจรรย์เท่า น, นั้นนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาในเวลาจนเกรอบเป็นหมิ่นแล้สร้างสติปัญญาขึ้นจนเอาตัวรอดขึ้นมาได้ตากฏดจิตเด่นดวงโดยลําพังตัวเองไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวเกาะได้เลยในขณะนั้น น่ะนี่เป็นแล้วไม่ได้มาพูดอวดพิถิถยได้ทํามาแล้วอย่างนี้ด้วยไ ด, ได้รู้ได้เห็นได้เป็นอย่างนี้มาแล้วด้วยจึงสามารถพูดได้เต็มปากโดยไม่โชกโสถานเฮียคือสร้างความกล้าหาญแ น, น่นอนพอจิตได้เดินทัดขึ้นด้วยอำ น, นาจของสติปัญญาแล้วไม่กลัวเรื่องตายอ้าวถึงเวลาตายมันจะเอาเวทนาหน้าไหนนะ่าทุกเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราว่า กับขนาด น, นี้ทุกขเวทนามีมากน้อยเพียงไรเราก็ทราบชัดเจนแยกด้วยปัญญาของเราถึงเวล า, าสุดท้ายคือเวล า, าจะตายมันจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราเพราเวทนาหน้าเก่านี่แหละกายก็เป็นของเก่าทุกเวทนาก็เป็นของเก่าจิตก็คือผู้เก่าปัญญาสติปัญญาก็ญญาคือผู้นี้เองอมันจะหน่องเหงืออะไอย่างนี้ได้ยังไงค้นลนไปจนเห็นชัดเจนจนกระทั่งถึงว่าตายตายอะไรมันตายพิจาราไปจริงมันไม่มีอะไรตายนี่ตามหลักความจริงคือพิจารณารู้เห็นตาม โดยลำพังตัวเองนะถ้าสมมุติว่าร่างกายนี่มันลลายลงไปส่วนท่าดินมันก็ลงซุมเศบลงไปเป็นน้ําก็ซุมเศร้ามาเป็นนา้าดินก็ เ, เป็นดินตามเดิมลมเป็นลมไฟเป็นไฟใจว่าหรือมันจะตายมันก็ไม่เห็นตายว่าจะตายเท่าไรมันยิ่งเด็ดมันตายได้ยังไงใจนี่มันยิ่งรู้ยิ่งเด่นมันตายได้ยังองแล้วอะไรตายไม่มีอะไรตา ย, ม, ย, าตายมันโกหกกันหนักโบราณรู้ชะตาแล้วโอ้โโกหกกันกกหรอป ท, ท, ทั้งๆที่ใครก็มีเจตนาจะโกโหกกันเละหนึ่งในขณะที่พิจารณารำมันนักเป็นอย่างนั้นเป็นความรู้สึกเป็นไหนล้นโกโหกกันกลัวตายก็เป็นหนึ่งหาความตาย ม, ม, มันต้อเมื่อพิจารณาเข้าถึงความกลินแล้วมันมีอะไรตายต่างอันต่างกลิ่นเท่านั้นเก<ม>ิดนะความกล้าหาญทางทจขึ้นมาจิตตกสงบเงียบ ไม่มีอะไรมาเกาะมาเกี่ยวทุกเวทนาก่็หายหน้าไปหมดแม้ที่สุดร่างกายนี่ก็หายไปในความรู้สึกเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเหมือนกับเป็นอากาศกระทาดว่างเล่าในขณะนั้นแม่ได้สำคัญว่าอยู่สูงอยู่ต่ําอยู่ในที่เช่นไรเอาแต่ความที่รู้อยู่เด่นๆนั้นนะอดูที่รู้ที่เด่นๆนั้นนะสูงต่าไม่สําคัญเป็นขึ้นเองรู้ขึ้นเองดูเอง เมื่อหมดกําลังนั้นแล้วแล้วขยับตัวออกมาคือจิตนี่เคลื่อนไหวตัวเองแล้วก็แยบออกมาเป็นสังขารความตรงแล้วก็นัดนาดเื่อนร่างกายนี่ถอยออกมาแล้วอ๋อร่างกายตอนจิตถอยออกมาที็แรกเวทนาณาก็ยังไม่มีหายเงียบวทนาณากว่าอีกพอนานไปกหน่อยวิทนาณาก็เริ่มเลิกเลิก็ฟาดกันอีกพิจารณาอีกเอาอีกลมได้อีกแต่การอุบายพิจารณา ทุกเวทนา this เราจะอเบายเก่าที่เคยพิจารณาแล้วนั้นไปพิจารณามันไม่ได้นะนเออมันเป็นอดีตไปแล้วแล้วมันเป็นสัญญาอารมณ์มันต้องเป็นูใบายที่เกิดขึ้นสดสร้อนๆในวงปัจจุบันหากจะตรงของเก่าก็ให้มันกรงนะถ้าไม่ตรงของเก่าก็ให้มันเป็นเรื่องของปัจจุบันนกจิตที่คิดขึ้นได้โดยกำลังตัวเองมันจะตรงของเก่าก็ตามนั่นมันเป็นปัจจุบันมันตัวเองก็แก้กันได้ การพิจารณาเรื่องอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเราไปเด่นเรื่องทุกขังในการพิจารณาร่างกายในยเวลาสุดท้ายของความสามารถของเรานี่ไปลงห น, นาอนัตตาาส ะ, ะเพทธรรมะอนัตตาเทียบ ก, กันตรงนั้นอะไรไายลูก ป, ประจามเิจนาสัญญาสั้งขามุญญาณที่เกี่ยวข้องอยูนในร่างกายมัน เป็นอนัตตาทั้งนั้นมีสัพเพธรรมานตตาในธรรมานตตาสุดท้ายธรรมานตตาไม่มีอะไรเหลือความมั่งจิตมีความป่องสายต่อยอย่างการรูปเวทนาตัณ ญ, ญาตัณหาเนื้อเยียนได้หมดนี่ มันก็จะมันก็มีก้อนสมมติว่ามันอยู่ในนั้นหลาก็นม่รู้ความใสแเขวใส่สะอาด ส, สง่าผ่าเคยองอาจก้าหาญ น, นั่นนั่นนี่มันก็เป็นอาณาจารย์ในที่มันเป็นอาณาจารย์มนก็สร้างเลยทัดด้วยการปฏิบัตินี้ในขณะที่มันจะเป็นขึ้นมาแอ้กิจ ด, ดวงเดียวให้สมัยมันเป็นได้หลายอย่างนักนั้นามันนําพึงนะเฉยเดียวว่าใสา่เฉเดียวว่าเศร้า เรีว่าผองใสเที่ว่าเศ้าหมองือเดีย๋ยว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์ทำไมกินตรงเดียวจึงเป็นได้หลายอย่างนักนามันลําปื้นลจจาําพืงนจิดต่อคําว่าผ่องใสก็ดีนะคําว่าเศร้าหมองก็ดีคําว่าสุขก็ดีคําว่าทุกข์ก็ดีทาเหล่านี้ทำตั้งสองเงินนี้เป็นอาตานะหนาล้านขึ้น ปัญญาตาพออัตตามันก็นกทราบทันทีซึ้งถึงจิตมันก็ปล่อยทั้วหีดียยไม่มีอะไรเหลือเลยพอถึงขั้นสุดท้ายมันเอาอนัตตามาสรุปอนัตตามาันมาม้วนชาดถึงธรรมานุนตตร์ครอบเปหมดเลยระเบธรรมานารังอันนี้ใช่ไยะ มาทำทั้งปวงไม่ควรถือมัน่นถึงขั้นนี้แล้วควรจะพูดถึงเรื่องทำทั้งปวงไม่ควรถือมัน่นเมื่อถึงขั้นควรจะปล่อยแล้วให้ปล่อยทั้งหมดเช่นหนึ่งขึ้นมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายแล้วไม่ควรจะปล่อดบันไดอยู่ทามันยังไม่ถึงขั้นมันก็ปล่อยให้บอกให้ปล่อยบันไดไม่ได้คนเราจะปล่อยอะไรไล่ไปนัตาไปหมดทั้งทั้งที่ยังหาที่ยึดไม่ได้เป็นไปไม่ได้อัตตาต้องเป็นคู่เคพียงนั่นไป โดยลำดั บ, ดบตรๆจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายเช่นเดียวกับขึ้นบันไดพอถึงขั้นสุดท้ายแล้วมันปล่อยของมันเองก็เท้าข้างหนึ่งก้าวเทาเหยียบปนบ้านแล้วเท่าเท้าข้างหนึ่งเหยียบอยู่บันไดมันก็ปล่อยบันไดปุ๊บเสราจนั่นควรปล่อยบันไดแล้วถึงขั้นนี้แล้วปล่อยมีสับเดทํามานาลังอานิยสานะทำทั้งวัวไม่ควรถือม่านกลองหมายั้งหมถึงขั้นนี้แล้วจะยึดอะไรไว้ล่ะยึดไว้ทำไมก็ปล่อย ถ้าเพื่อธรรมานุต่าต่อยเนี่สรุปสตูตรงนี้มารวมยอดทำทำอนุต่ามาลงตรงนี้มารวมวยอดตรงนี้อิ่มโลกอิม่มธรรมคือนี่โลกก็ไม่ติดอิ่มแล้วพอแล้วไม่อยากไม่หิวกับอันใดทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสมมุูลทำก็เหมือนกันไม่ว่าทำดีทำละเอียดขนาดไหนทุกทุกละเอียดขนาดไหนซึ่งอยู่ในขั้นสมมุติ อิมพอตัวนี้วปลอดแม้แต่จิตที่บริสุทธิ์ก็ไม่ยึดนั่นถ้ายึดอยูไม่เรียกว่าบริสุทธิ์นั้นอาศัยทำอยู่ก็ยังเรียกว่ายังยึดทำอยู่ยังเรียกว่ายังไม่บริสุทธิ์ลงทับเพธธรร ม, มานาตาขึ้นที่ว่าสมมุติขั้นใดบุญก็ดีบาปก็ดีปุญญปาปาหะปะนิระละทั้งหมดเพราะเป็นสมมุติด้วยกันถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่ต่อย บุญหนาตาปัจุบัหมุงคลผู้มีบุญหาบาปอันละเสียแล้ว น, นั่นนั่นแ่ะที่ว่าอิ่มตัวอิ่มทำก็เรองอิ่มโลกก็เรียอไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งหลายนี่ผลของการปฏิบัติเราจะไปหามผลนิพพานที่ไหนถ้าไม่หาในข้อปฏิบัติ ในความภาคเพียรของเราเราจะไปเชื่อผู้หนึ่งผู้ใดนอกจาก พ, พระาวาทของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมตายตัวอย่างยิ่งแล้วออกมาจากสวคารธรรมปรับที่ชอบที่ติที่อย่างนล้ปฏิบัติเธอนิยานิกระทําจะนำออกโดยลำดับลำดับเรื่อำนาจทางความเพียรสติปัญญาของเราที่ไม่ถอยหลังอันในจะมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรม อันใดเล่าจะมีคุณค่ายิ่งกว่าความหลุดพ้นจากเราคิดเอาเอาโลกมาเทียบโลกมีถึงสามโลกท่าโลกโลกไหนดีโลกไหนจะดียิ่งกว่าความหลุดพ้นจากทุกข์ของใจละ่ะนี่ตรงนี้เมื่อเห็นความหลุดพ้นจากทุกข์ของใจว่าเป็นของกสิสธิ์แล้วความเพียรก็เล่นเอง และไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะมีอำนาจวาสนามากาั้นกลางมากผลนิพานสําหรับผู้ปฏิบัติ ด, ด้วยดีอยู่แล้วไม่ให้ได้ร <im it> ับผลเป็นไปไม่ได้ไม่มีผู้ใดมากาักา้นกลางมากุญญิพานไม่มีการไม่มีสถานที่ใดจะมีอำนาจมากาัา้นกลางมากุญญิพานไม่ให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ได้บรรลุตามขั้นภูมิของตนมีทุกข์กับสมุทัยเท่านั้นเป็นเพื่องปิดบงังมากผลนิพานจึงต้องพิจารณาเรื่องทุกข์ให้เป็น